โปรแกรมเช้านี้ก็คือเตรียมพร้อมร่างกายจิตใจแล้วก็อารมณ์อย่าลืมสามอย่างนี้นะเราคือสามอย่างนี้นะเราคือร่างกายจิตใจแล้วก็อารมณ์นี่คือชีวิตเราคือสามอย่างนี้เราก็มาเตรียมพร้อมมันทุกวั น, นชีวิตจริงเราข้างนอกก็เหมือนกันอย่าทิ้งสอย่างนี้เราเรียนเก่งๆหาเงินเยอะๆเราทำงานหนักมาก ก็เพื่อสามอย่างนี้ไม่ใช่เพื่ออนาคตนะไม่ใช่เพื่ออนาคตนาคตเราถูกสอนว่าเพื่ออะไรลาบยศสรรเสริญเห็นลาบยศสรรเสริญแล้วก็ไปติดบ่วงตรงนั้นแต่ไม่ใช่ตรงนั้นไม่ดีนะผนะพ้ทีองค์พูดเองว่าลาบสักการะก็เปรียบเสมือนใบไม้กิ่งไม้นะต้นไม้ต้องมีใบไม้ไมกิ่งไม้สังเคราะห์แสงอะไรพวกนี้มันมีประโยชน์ระดับหนึ่งเราไม่มีแล้วก็อยู่ไม่ได้ คำว่าสรรเสริญในที่นี้ก็ไม่ใช่ว่าเราตั้งใจอยากดังคือเราทำดีนะเราเป็นคนดีในสังคมเขาก็แท้สองสรรเสริญเราแต่จะไปหลงมันมันก็เหมือนใบไม้จริงไม้นะแต่ไม่ใช่เป้าประสงค์จริงๆว่าเราเกิดมาเพื่อจะสร้างราดดุษรเสิรินอนาคตเราตรงนั้นจนลืมสอย่างนี้คือร่างกายจิตใจกับอารมณ์เราทาทุกอย่างเพื่อสมอย่างนี้นะมอย่างนี้คือชีวิตเรา เสื้อผ้าบ้านทุกอย่างทรัพย์สินเนี่ยคือส่วนประกอบของชีวิตเท่านั้นเองนะนี่แหละเตรียมพร้อมร่างกายจิตใจทุกวันนะตอนเช้านี้แก้วพร้อมนะลูกมาไอ้นั่นเช้ชาเชา้าไม่ต้องไม่ต้องใส่ข้อมูลเข้าไปเยอะนะสมองเราโปรตโปรงอยู่แล้วจิตใจเราดีแล้วเนี่ยมาเตรียมพร้อมกันนะ ก็ทุกท่านยืนขึ้นครับนะชอบมองคนอื่นไปเห็นคนอื่นไม่ค่อยมีเวลามาดูตัวเองนะเนี่ยเตรียมพร้อมร่างกายจิตใจมาดูตัวเองนะก็องมีเวลาอยู่นะพ่อคกูก็เกินเกินให้ฟังว่า ไอแนวทางที่มันไม่มีแนวทางเนี่ยมันเป็นอย่างไรกันแน่นะวิธีพ่อครูที่มันมีวิวธีเนี่ยมันคือที่มันไม่มีวิธีเนี่ยมันคืออะไรนะตอนนี้เราเรียนรู้อะไรจะมีวิธีที่แน่นอนชัดเจนวิชานั้นวิชานี้แนะม้กระทั่งการฝึกสมาธิมีนะมีหลายท่านก็ยังติดสมาธิอยู่สมาธิเป็นเรื่องที่ดีและเป็นธรรมะเป็นธรรมะตัวแรกที่สำคัญที่สุดนะ แต่ก็ไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดนะสมาธินี่คือบาทฐานของวิปัสสนานะเมื่อวานนี้เราทดลองอยู่เนื่องจากเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันนะเนื่องจากคุณหมอเป็นประธานชมรมเป็นเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้เออน้องปิงนี่ก็น่ารักนะมากับแม่อายุขนาดนี้แล้วเนี่ยเมื่อวานพวกกูไปเกินๆ น, นะพี่ปิงต้องการให้พี่แก้วช่วยไหมนะพี่ปิงก็มานั่งอยู่ข้างหน้าเลยเนาะ พี่พไหนปิงใช่ไมพี่ปิงใช่ไห ม, ไหมเออก็พราะคุยเห็นจิตหมดแหละทีนี้เด็กเขาฝ่ายดีเขาฝึกมาตลอดเขาก็อยู่กับสมาธินั่นแหละสมาธิหลวงพ่อชาเคยบอกมัวแต่ถือศีลนั่งสมาธิมันจะไปไหนท่านไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีมันจะไปไหนมันก็เข้าสู่ปัญญาไม่ได้นะก็คิดว่า พี่ปิงเนี่ยก็คงอนุญาตแล้มานั่งอยู่ข้างหน้านะเพราะครูปฏิบติพี่แก้วพี่แก้วหลายปีไม่เคยยุ่งกับใครสิปีก่อนเนี่ใครมาพี่แก้วจิ้มทีหนึ่งก็ไปเลยที่ศูนย์เรามีมากมีหลายวิชาจี้กรงอะไรก็มีนะเพราะครูดูแล้วมันไม่เป็นสากลแล้วคนยุคนี้เขาเป็นวิทยาศาสตร์เอาแค่วิธีเรามันก็เกิดข้อกังขามากมายแล้วไม่รู้รัฐที่อะไรแล้วจะไปแตะต้องตัวเขาปุ๊บเนี่ยเขาจะเกิดกังวล แต่บางครั้งถ้าเราไม่มีศรัทธาเบื้องต้นเราจะเกิดวิตกจริตแต่ถ้าศรัทธาแล้วเนี่ยเราต้องมองในแง่ว่าเอ อ, เ อ, อพี่แก้วคงไม่ได้มาตั้งใจแกล้งเราหรอกนะนะพี่แก้วคงเจตนาดีนั่นแหละเพียงแต่ว่าบังเอิญมันสะดุดกับสิ่งที่เราติดอยู่เมื่อวานพ่อกูเปิดทิ้งสปีดให้ดูเพื่ออะไรคนเรามันมีหัวโขนมันติดอัตราตรง น, นั้นแหละโรคอุปทานตรง น, นี้แหละแม้กระทั่งติดสมาธิสติก็เป็นอุปทานอย่างหนึ่ง เราฝึกสมาธิดีมากฝึกสติดีมากแต่ถ้าติดมันเมื่อไหร่กลายเป็นอุปทานเมื่อกี้บอกนั่งหมุนโยกเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อหลุดออกจากสมาธิใช้สมาธิหมุนเพื่อหยุดออกจากสมาธิไม่อั้นเราก้าวไปสู่ปัญญาไม่ได้นี่คืออุปทานเทคนิคต่างๆสี่โปรแกรมนี้ก็เพื่อให้เราหลุดออกจากอุปทานวางหัวขนต่างๆไม่งั้นจิตเราไม่มีสละเราจะไม่เกิดพลังนะ เราใช้พลังสมาธิกดมันไว้สงบกำลังดีอยู่กำลังดีอยู่นั่นแหละตัวดีไอติดดีนั่นแหล ะ, ดด ะ, ละคือตัวดีนะเออจเริญสติมาไม่อยากจะเอ่ยเลยนะถือว่าเป็นเออเป็นสังกัดเดียวกันนะพ่อครูก็สิทธิหลวงพ่อชาเหมือนกันนะตั้งแต่เด็กๆท่านไม่รู้จักพ่อครูหรอกพ่อครูก็ฟังธรรมท่านมาเราเป็นเด็กอุบนท่านก็เตือนนะ มัวแต่ถือศีลนั่งสมาธิมันจะไปไหนก็ไปไหนแล้วก็ออกไปแต่งงานไงวัดป่ากระทบไปหมดมันเป็นท่านแสดงธรรมครั้งใหญ่นะเราต้องรู้มันไม่ใช่มันไม่ดีแต่ถ้าติดมันเมื่อไหร่เนี่ยติดดีก็คือไม่ดีนะอาจารย์พูธธ้ธทาท์บอกติดดีติดชั่วก็จันเลยเหมือนกันคือติดอะไรก็คือติดมันจะอิสระได้ยังไง นี่ก็ทั่งรูปแบบการปฏิบัติก็กดมันไว้กดมันไว้มันก็สบายจีกำลังดีกําลังดีเราติดดีแล้วเราไม่ได้มานั่งเพื่อให้มันดีหรือให้มันชั่วไม่ได้มานั่งเพื่อให้มันสงบหรือไม่สงบนะเนะี่ยถ้ามีศรัทธาเบื้องต้นเราจะเกิดข้อกังขามากๆเป็นเรื่องธรรมดานะและอีกเรื่องหนึ่งการเก็บภาพถ่ายภาพนี่ไม่มีเจตนาอะไรภาพนี้จะไม่ออกสื่อข้างนอก ที่ศูนย์บาลานคอยห้ามถ่ายรูปภาพวิดีโอมีแต่เจ้าหน้าที่เราเก็บแล้ววันสุดท้ายนี่โดยเฉพาะการจัดคอร์ดแบบนี้ที่ศูนย์ไม่มีคอร์ดนะใครมาใหม่มาเก่าเดินทางด้วยกันเดินทางด้วยกันเราไม่ได้ไปเรียนวิชาใดๆทีนี้เราสร้างกรรมมาตั้งหลายชาติไอเข้าไปฝึกวิชาปฏิบัติธรรมแค่คอร์ดสั้นๆแล้วบอกเราจะเข้าใจอะไรเหรอก็เข้าใจเท่าที่เข้าใจนั่นแหละนั่นแหละมาเกิดความลังเลสงสัยเหมือนฝึกมาหลายปีแล้วแต่ไม่ไปไหน ยังวีนเหมือนเก่าพราะไปกดมันไว้เท่านั้นเอง น, ะ, นะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปฝึกวิชาใดๆทั้งนั้นเรามาเจริญมรรคจิตทีนี้เจริญเพื่ออะไรเพื่อรดอัตตาตัวเองอัตตาตัวเองเนี่ยเป็นที่มาของการสร้างกรรมทั้งหมดกรรมก็ส่งผลกรรมโครคภัยไข้เจ็บทุกอย่างตามมาเนี่ยคิงสปีดชัดมากท่านเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไอหมอนี่มันเก่งมาจากไหนไม่ตามใจเลยเห็นไหม นั่นแหละเขาคือรักษาลดอัตราถ้าคุณไม่ยอมลดอัตตาเนี่ยคุณไม่มีวันหายเรามีอัตราตัวเองมีหน้าตามีอะไรว่าเฮ้ยถ่ายฉันจะเอาไปอันอะไรนะ่ยบางคนเขาก็มีเจตนาลายเนะ่ยมาขโมยถ่ายเนะี่มันแบ็คเมยอะไรพวกนั้นอันนั้นเขาตกนะลกเ็เรื่องของเขาพ่อพคูไปทําทําไมพ่อคูหนีมันมานะไอเงินทองต่างๆพ่อคูไม่ใช่รังเกียดมันนะตอนอยู่อเมริกาเงินเต็มบ้านเนี่ยนะไม่มีเวลาจัดการมันเป็นถุ ง, ถง ไม่รู้อะไรกัดมันถุงมันขาดนี่เหม็นหมดเลยนะนะพวกคุณไม่ได้ดูถูกเงินน่ะพวกพวกคุณไม่ได้เหม็นเงินแต่เงินมันเหม็นมากนะเงินมันเหม็นมากขอทานก็จับเทขยะก็จับคนรวยก็จับจับหมดมีแต่เชื้อโรคทุกคนก็ชอบมันนะแล้วก็ไปหลงมันแล้วมันปฏิเสธเงินคือสมมุติบัญญัติในการแลกเปลี่ยนอย่างหนึ่งแต่ถ้าไปหลงมันเมื่อไหร่นี่ทุกแน่ๆนะ พระครูนีมันมาเวลาที่เหลือทั้งหมดเนี่ยคือให้นะเมื่อวันก่อนนี่อาจารย์หม่อมก็มาเดินพระครูนะท่านก็สนใจเออโดยเฉพาะเรื่องเด็กนี่นะเนี่ยเด็กมาหลายคนที่นี่บางคนก็ตั้งใจไม่ตั้งใจนะเออพักครูก็เห็นจิตเพียงแต่ว่าไม่ใช่คอสเด็กโดยตรงแล้วก็ทำไปด้วยกันทำได้แค่ไหนก็คแค่นั้นนะเมื่อวานมีเด็กชายคนหนึ่งน่ตอนเลิกกวก่า เป็นชั่วโมงเขาเข้าไปในจิตเขาเต้นอะไรเนี่ยมากนะพ่อครั ว, วน่ะลูกทําได้แล้วถ้าตั้งใจทุกทําทําได้หมดทุกคนแต่เราต้องข้ามผลอัตราเราแม้กระทั่งบุคลิกภาพวิธีปฏิบัติที่เราเยึดมัน่นถือมันนะ่ะถ้าเราไม่วางมันก่อนพวว่อครัไม่ได้บอกว่าให้ทิ้งมันนะวางก่อนเหมือนเราเป็นนักฟุตบอลเนี่ยเราเตะฟุตบอลมาเนี่ยแล้วเนี่ยพอทีวันนี้เรามาเตะตะก้อเราต้องลืมกิกาฟุตบอลก่อนอย่าเอามาข่มแย่อย่ามาเปรียบเทียบนะ ที่เราจับภาพเนี่ยนะเดี๋ยววันสุดท้ายเนี่ยเรามาประมวลภาพว่า เ, ออเกือบยี่สิบกว่าปีก่อนนั่นแหละพ่อครูเคยบินไปไต้หวันมีญาติพ่อครูเองเป็นหมออยู่ที่นวลนะไปมีครอบครัวอยู่ที่นวลแล้วก็ไปกินเหล้าไงก็เป็นอมพ า, าธไงนะพ่อครูก็ไปสอนเขาตอนนั้นนแะแรกๆเนี่ยพ่อครูก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เนยียออเมริกาเน่ยพ่อครูถ่ายวีดีโอไว้หมดอ่ะเจ็บภาพวิจัยเนี่ยนะ ปกติเขาเคลื่อนไหวไม่ได้พอเข้าไปในจิตแล้วมันขึ้นมาไล่าลามกันหมดเลยพราะกูก็ให้หมอดูว่าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นถ้ากายภาพคุณเป็นจริงๆเนี่ยคุณคุณทำไมหายได้ในกรรมฐานนะนั่นแหละวินาทีนั้นไอ้เสียงเนี่ยแล้วก็ทำให้เราอยู่กับเสียงเนี่ยเราจะลืมอุปทานเราแล้วพอเขาดีขึ้นก็เดินไปห้างกันเน่พราะพกูพ ก, ก็หลอกคุยกับพ่อครูเขาก็ลืมอามาพาดเขาหายพอเดินไปเห็น มันในเลื่อนปุ๊บมันเป็นอีกเห็นไหมอันนี้เป็นโรคอุปทานแต่ถ้าเป็นอัมาพาตถึงกระดาษว่าเส้นโลหิตฝอยมันขาดแล้วอันนั้นก็มันแข็งแรงเฉพาะเรื่องกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะแต่ที่นี่สมองมันสั่งการไม่ได้แต่ถ้าว่ามันแค่ตีบหรือว่ามันเลี้ยงไม่พอเนี่ยเดี๋ยวมันฟื้นหมดมันเป็นโรคอุปทานชีวิตเราทุกๆวันนี้ก็โรคอุปทานโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติปฏิบัติธรรมเนี่ยขึ้นชื่อว่าเราปฏิบัติธรรมเราเป็นผู้รู้ เดี๋ยวมีปัญหาครอบครัวฟังพระครูนะออมีหลายคนมุ่งมั่นมากก็ก้าวหน้าไม่ใช่เรื่องไม่ดีนี่คือความก้าวหน้าแต่ว่าถ้ายังไม่ถึงเข้าใจจริงๆนี่เราจะมีทงของเราแล้วก็คุยกับคนทางบ้านทงไม่รู้เรื่องนะพรอครูบอกว่าเราเป็นคนเปลี่ยนนะเขาไม่ใช่เปลี่ยนเขาก็เป็นของเขามาอย่างนี้แล้วเราต้องเป็นผู้ให้ผู้ประพฤติทธรรมจริงๆต้องเป็นผู้ให้ไม่ใช่ยึดมัน่นถรือมั่นสภาเป็นทันสบายทันสบาย จะดูหนุนหน้าที่เราคําว่าทางสายกลางเนี่ยเอาล่ะส่วนตัวเราเรากินแค่ไหนพอดีเราต้องรู้ตัวแต่ระหว่างแฟมิลี่ครอบครัวเราต้องรู้ว่ากลางระหว่างเขากับเราเนี่ยคืออะไรเราต้องเป็นผู้ให้ปฏิบัติแล้วก็คุยกันในเรื่องแสดงว่าซัมติ้งลองนะมันไม่ใช่ธรรมะมันกลายเป็นอุดมการณ์กลายเป็นทิฏฐิมานะนะพ่อครูก็เคยเกิดวันแรกๆว่ามาหาธรรมะคานธีนี่เป็นรัฐบุตรโลกในอดีตล้วก็เป็น เราอยู่ในทางโลกเราก็ศรัทธาเห็นไหมท่านเสียสละจนขับผู้บุกลุกสุดท้ายท่ทานก็ถูกคนอินเดียด้วยกันตายปัจจุบันนี้อินเดียก็มีสงครามกลางเมืองโลกิยะธรรมมันไม่มีวันจบสิ้นมันเป็นแค่อุดมการไม่ใช่ธรรม ะ, นะถ้าธรรมะที่แท้จริงเราจะไปขัดแย้งกับใครทำไมมีของเธอของฉันเมื่อไหร่นะอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าไม่ต้องตกใจเปิดปล่อย ทำลายอัตตาตัวเองทำลายอุปทานตัวเองซะไม่งั้นจิตเราไม่ก้าวหน้าก็แป๊กอยู่ตรงนั้นแหละนะไปติดสมาธิติดสุขในฌานติดรูปแบบติดอะไรก็คือไม่ดีแม้กระทั่งที่เราปฏิบัตินี่ก็ไม่ต้องติดเรามาเวียงความติดทิ้งนะไม่มีสไตล์แน่นอนเลยอิสลามมากแล้วจิตเราไม่ได้อยู่กับที่เอาท่า น, นั้นตลอดไม่มันก็ก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะนี่คือธรรมะ ธรรมชาติของจิตนี่เป็นนาณ า, าจิตตังมันไม่เหมือนกันสักคนหนึ่งจะเอารูปแบบฝึกวิธีเดียวกันทุกคนเป็นหุน่นยนต์เหมือนกันหมดอันนั้นเป็นอุบายวิธีเป็นเทคนิคในการฝึกสติฝึกสมาธิเราต้องข้ามพ้นสมาธิสมาธิเป็นเครื่องมือหนุนให้เราข้ามไปสู่ไปสู่เจริญวิปัสสนาแล้วเข้าไปสู่ปัญญาเข้าไปสู่ความหลุดพ้นไม่งั้นเราเสียเวลาชีวิตเปล่าไงชีวิตเรายิ่งผู้ครองเรือนเราจะมีเวลาปฏิบัติเยอะขนาด ครูบาอาจารย์บอกปฏิบัติตั้งสามสี่สิบปีนะแล้วยังไม่ไปไหนไงเพราะไปติดรูปแบบไงอันนี้ต้องเข้าใจนะยิ่งเราเป็นนักเวียศาสตร์รุ่นใหม่เนี่ยต้องต้องอย่ามีทบอกว่าอย่ามีทิฏฐิมนณะแต่มันมีแล้วมันมีแล้วไม่เป็นไรถ้าไม่มีเราก็ไม่ต้องมาปฏิบัติไงผู้ทุองค์ถึงบอกว่าออขัดเกาจิตให้ผ่องใสที่มันไม่ผ่องใสเพราะมันติดกิเลสคือความเคยชิน เรากินหวานบ่อยๆแล้วก็ติดหวานเราก็มีตัณหาอยากกินหวานเพราะกินหวานนะั้นมันรู้สึกพอใจไงกิเล่มันพอใจไงเนี่ยพอกินหวานแล้วอุปทานก็นรู้สึกสุขมากเห็นไมเออรู้ทั้งรู้ว่ากินหวานบ่อยๆฉันก็เป็นเบาหวานเพราะคูไม่ใช่ไม่มีตอนนี้มีนะแต่พราคูไม่ต้องอาศัยยาหมอบันชาเป็นคนดูแลพราคูเอเาชีวิตพ่อครูเนี่กินอะไรเรียบง่ายนะ จ ร, จริงๆแล้วอยู่ศูนย์พ ก, กูก็กินมือหนึ่งก็จบแล้วนะอะไรแปลกปลอมเข้าไปเราจะเห็นเลยนะคุณหมอบอกมันเป็นของเก่าถูกแล้วอดีตพครูเนี่ยชอบของหวานมากกินเหล้ากินเบียอะไรเนี่ยพวกนี้เติมเต็มนะถึงบอกว่าเราก็เปลี่ยนทีนี้ไอ้กรรมที่เราสร้างมาก็เกิดทางกายภาพเราจะไปทุกข์กับมันเราไม่ได้ทุกขนะ์เห็นไหมตาพกูข้างซ้ายเนี่ตอนนี้มองเห็นประมาณสิบเปอรนะ์เซ็นต์นมันเป็นต้อหิน นะไม่มีผลสำหรับพวกคู่นะหลายปีก่อนกลางคืนนอนดึกนะมันเหมือนเปี้ยเลยนะมันเห็นภาพเลยว่าตอนเด็กๆเกนี่เราเอานกเนี่ยเรานกพี่ราบเนี่ยมาเชือดคอมันไม่ตายใช่ไหมแล้วก็จับขามันนี่ฟาดหัวมันอยู่ตรงเหลี่ยมโตเนี่ยนะตามันแตกนะตื่นกลางเด็กมาเอตานี่บอดเลยนะ ปิดตามองมาเห็นว่ากูก็นั่งกับมาฐานถึงสว่างแล้วมันก็หายเป็นปกติจากนั้นมามันก็เริ่มเสื่อมเห็น ไ, ไหมที่ไอเนี่คุณคุณหม อ, อ, อแฟนคุณเล็กเนี่ยเขาเขามือหนึ่งเลยล่ะ เ, เรามานั่งคุยกันเขาก็ปฏิบัติเขาบอกถ้าในทางวิทยาศาสตร์เป็นเพราะอย่า ง, งานั้นอย่างนี้อย่า ง, งานั้นอย่างนี้น้าไปเลี้ยงไม่พออะไรก็ช่างแต่ก็สรุปเองว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมคนนี้เป็นกันมคนนี้ไม่เป็น พระคูรู้ว่าพระครูเป็นเพราะอะไรเมื่อเรารู้แล้วไปทุกข์กับมันทําไมเห็นไหมสุดท้ายเรารักษาร่างกายนี้ไม่อยู่หรอกนะโดยเฉพาะรักษาโรคอย่าไปรักษ า, าเพราะนเวียงมันทิ้งนะโรคอย่าไปรักษามันไว้ ไ, ไปรักษามันทําไมเวียงมันทิ้งเอาชีวิตเราไว้นะทีนี้ชีวิตเราคือร่างกายจิตใจส่วนร่างกายมันต้องเสื่อมโทรมตามอัตภาพของมันเนี่ยเรารักษามันไม่ได้นะ หลายปีก่อนพ่อครูพาเด็กๆที่โรงเรียนเนี่ยไปลูกไปเที่ยวแก่งตปือไปพ่อครูพ่อครูว่างพ่อครูจะชวนเด็กไปพ่อครูจะขอกินข้าวกับเด็กมีความสุขมันไม่มากเรื่องเข้าใจหเปล่ามันเพียวๆ เ, เลยมันดื้อก็ดื้อเลยเห็นไหมพ่อครูคุยกับเด็ก3าขวบรู้เรื่องหนะ้าที่บกดื้่ที่สุดมาคุยกับพ่อครูคุยกับพ่อครูเป็นสองชั่วโมงเลยคือเราไม่มีอัตราไงเราก็จูนขึ้นเราคุยกับเด็กได้เห็นไหมคุยกับลิงต้องใช้ภาษาลิงนะจะภาษาดอกเตอร์คุยกับมันได้ยังไง พอพาไปเที่ยวปุ๊บเพื่อนเก่าๆตั้งแต่เด็กนะมาเจอเพราครูมันก็ทําธุรกิจอยู่ก็มาคุยกันบอกว่าเอ้ยลูกพี่เขานี่เป็นด็อกเตอร์ดูดวงเก่งไม่ว่าดูดวงนะเออดูไปเถอดนะฉันเนี่ยแม่นมากมันบอกแม่นยังไงนั่งอยู่ที่นี่อนาคตเนี่ยตายหมดเลยนะแม่นไหมเราทึกมาเตรียมตัวตายทุกวันไงไม่ดูดวงดูดวงดูดวงจะเป็นนมันเป็นนี่ ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครนะหาเงินหาเงินก็เอาเงินไปซื้อบอกหมอดูช่วยบอกฉันหน่อยฉันเป็นใครทำไมโง่ขนาดนี้นะต้องให้คนอื่นบอกว่าฉันเป็นใคร <c oughs> เราก็มาดูตัวเองสิตัวเองเป็นใครนะทุกวันนี้เราอ่อนแอมากมีแต่ไปพึ่งคนอื่นนะอัตเถียตโนานาโถตนแลย่อมปิติพึ่งแห่งตนนะพี่ปิงสู้ต่อไปอย่าท้อถอยลูกแน่นอนตอนที่มันเหนื่อยนี่เพราะว่า ใจเรามันชอบแบบนั้นนะแต่พี่แก้วเป้าหมายคือเขาให้เราหลุดออกจากใจมันก็ต้องขัดแยง้งมันจะเหนื่อยถ้าเราหลุดได้ปุ๊บเราอดทนหน่อยหนึ่งปุ๊บเดี๋ยวจิตจะก้าวหน้ามันหลุดจากบ่วงสมาธิเป็นโพชงเข้าใจนะเออเข้าใจแล้วก็จิตอาสาเรามาจากกรุงเทพบ้างที่รอนเดบ้างนี่นยะมาโดยว่าทุกคน ไม่ได้นัดหมายเราเออรู้ว่าคูครูบาอาจารย์มาก็มาช่วยกันการให้เนี่ยเป็นความสุขอย่างยิ่งนะพวกเรามีความสุขกับการมาให้นะต้องขอบคุณน่ะทุกคนมาที่จะเป็นให้ให้เรามีโอกาสได้ให้เราไม่ได้หวังอะไรไม่ต้องวิตกจริตไม่ต้องกลัวโลกทุกวันนี้มันน่ากลัวมากเพราะข่าวสารไลฟพรมแดนสื่อเนี่ยอยู่ๆก็โพสต์ออกไปเนี่ยไม่เปิดโอกาสให้เขาแก้ตัวเลยไงเพราะกูระวังเรื่องนี้มากไม่ต้องกังวล นะโดยเฉพาะเราก็มีบุคลิกภาพมีสถานะทางสังคมอยู่ๆเฮ้ยมาเต้นแรงเต้นกลางบ้าหรือเปล่าวะที่ศูนย์เราห้ามเด็ดขาดที่นี่ก็เหมือนกันเนีย่ยเฉพาะเราเก็บภาพเพื่ออะไรนะเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เพื่อมาวิจัยทุกคนจะได้เห็นว่าเอ๊ะเวลาเราเข้าไปเนี่ยเอ๊ะทําไมเราทําอย่างนี้ได้ทําไมเรากล้าทําอย่างนี้เหรอเห็นไหมหมอที่ไต้หวานนั่นเขา คือมันกลายเป็นอามตภาพมันหายไปไหนอยู่ในกรรมฐานน่ะมันหายแต่ถ้าเราทำบ่อยๆมันก็ล้างอุปทานนั้นบอกออกเรื่อยๆเนี่ยไอ้ความคิดความจําได้ว่าฉันเป็นเนี่ยมันก็ถูกล้างออกไปมันก็หายไงเห็นไหมคิงสปีดอ่ะพูดติดอ่างอะ่ะอา้าแล้วทำไมหายได้ เก็มาทำอะไรที่เราไม่เคยทำฝืนกิเลสเราล้างกิเลสล้างความเคยชินล้างอุปทานเนี่ยมันก็หายไงนี่แหละอยู่ในนี้หมดเลยนะอยู่ในนี้หมดเลยนะอยู่ชีวิตจริงเราออกไปข้างนอกไปร้องแหกปากร้องเนี่ยเขาจะจับเราไปโรงพยาบาโลโรคจิตนะเนี่ยเรามาทำในสิ่งที่ชีวิตเราไม่เคยทำเพื่อล้างอุปทานเราล้างกิเลสความเคยชินเราไงเราจะอิสระ เบือบ่อเบื่อข้างอกไปปฏิบัติธรรมปุ๊บเขาก็จับให้เรานั่งสมาธิกดมันไว้เอาเอาพลังสมาธิกดมันไว้อันนั้นเราแค่หนีอารมณ์เฉยๆนะพระครูอยู่ที่ศูนย์เนี่ยคนหลากหลายเป็นหมืน่นเป็ น, นแสนเข้าไปยี่บเจ็ปีนี่นะครั้งหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งเคยบวชที่วัดป่าอุบล น, นั่นแหละก็สึกไปอยู่แถวคลองห้าคลอง4ีอะไรกรุงเทพนะขับรถมาคนเดียวนะได้ยิงข่าวพระครูพอนั่งปึ๊บ เนี่ยก็เหมือนหลวงพ่อโตเราเนี่ยพระครูก็มองจิตอยู่นะพอเสร็จแล้วแกบอกแกจับลมแกหนีเขาไปอยู่ในชาเนแกบอกแกแกอยู่เหนือเวทนาแล้วนะเสียงดังอะไรอะไรทำอะไรเขาไม่ได้นะโอเคพอชั่วโมงต่อไปแกนั่งจับอีกนะพระ ก, กูเห็นจิตตอนที่จิตเขาเผลอนิดเดียวเนี่ยพระคูเอาละขังในไปตีเปี้ยงดิ้นเลย กิ้งักใรญ่เลยเนี่ยอ้วกจนหลังโก่งเลยเพราะกลัวไอันนี้เขาเรียกว่าเวทนาคุณหนีเวทนาคุณไม่ได้อยู่เหนือเวทนาเนี่ยเป็นหลงติดไงสบายสบายไงอยู่ในโลกโซนตัวสองชั่วโมงใครก็ทําอะไรใช้ไม่ได้เสียงดังแค่ไหนฉันก็สงบไงอา้าวแล้วทําไมอ้วกจนหลังโก่งเลยเขาหนีเวทนาเขาเข้าใจว่าเขาอยู่เหนือเวทนานั่นแหละคือฌานระวังนะ ทุกอย่างมันมีประโยชน์แต่ถ้าไปหลงมันเมื่อไหร่กลายเป็นโทษวิชาการต่างๆที่เราเรียนทุกวันนี้มีประโยชน์เป็นกลางๆนะเป็นกลางๆนะแต่ถ้าเราไปหลงมันเมื่อไหร่ปุ๊บนี่ยมันเป็นอวิชาทันทีอวิชาจึงไม่ได้แปลว่าความไม่รู้โอ้อวิชาแปลว่าความไม่รู้คือความโง่กลัวโง่เรียนรู้เรียนกันใหญ่เลยจนจบปริญญาเอกปุ๊บออกมาคุยกันไม่รู้ภาษา ทำไมเป็นแบบนั้นเราไปหลงเราไปหลงภาษาเราเรียนภาษาศาสตร์เราจบสูงสุดแล้วเราไปหลงภาษาจบมาพร้อมกันคณะเดียวกันออกมาคุยกันไม่รู้ภาษาเพราะอัตตาไอ้ตัวที่เราไปหลงว่าเราเป็นผู้รู้เรายิ่งใหญ่นั่นแหละคืออัตตาคุยกันไม่รู้เรื่องแลหละเห็นชาวน้าอนควายไถายนาได้ไม่เห็นมีเรื่องอะไรเลยเพราะมันไม่ได้ใช้ภาษาจิตสื่อจิตเห็นเนี่ยองความรู้ยุคนี้ต้องระวัง มันไม่ได้เสียหายยุคนี้เราไม่เรียนก็ไม่ได้นะก็เรียนเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตอย่างหนึ่งแต่ถ้าไปหลงมันเมื่อไหร่มันจะสร้างอัตตาเนะีเครียดเป็นหมดนะพ่อครูบอกแล้วพว่อครูไม่ได้พูดเล่นๆกับวินาทีระเบิดปุ๊บถวายชีวิตพุทธเจ้าใครจะว่ายังไงก็ช่างนะแต่ไม่ใช่ไม่นับถือศาสนาแบบหลงงมงายนะศา ส, สนาทุกศาสนาสอนเรื่องจิตวิญญาณ แต่ถ้าไปหลงจิตวิญญาณจนลืมไม่มีวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเหมือนคนตาบอดแต่นักวิทยาศาสตร์ถ้าขาดศาสนาขาดขาดจิตวิญญาณแล้วเหมือนคนแขนขาดขาขาดวิทยาศาสตร์ขาดไม่ได้ผู้เจ้าสอนแบบวิทยาศาสตร์อย่าพึ่งเชื่ออะไรง่ายๆเห็นไหมต้องทดลองทดสอบด้วยตัวเราเองเนี่ยที่เรามานี่เราไมา่อย่าพึงอย่าพึ่งเชื่อจะไปเชื่อพ่อคูทําไมไม่เคยรู้จักพก่อกูจะเป็นศรัทธาทําไมไม่ต้อง เชื่อในสิ่งที่ตัวเองทําลองก่อนอย่าเพิ่งสรุปนะมันไม่ใช่เข้าใจง่ายๆหรอกเพราะความเคยชินลรถูกก๊อปปี้ว่าตั้งแต่เกิดมาปฏิบัติทำต้องเป็นอย่างงี้นะต้องแต่งชุดขาวเหมือนกันต้องอย่างนั้นอย่างนี้นมีศีลมันกํากับเราไม่ใช่ผิดมันเป็นเทคนิคอย่างหนึง่งแต่จะไปหลงว่าต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบอื่นไม่ได้อันนี้ค่อนข้างจะไม่ถูกนี่คือความรู้ผิดแล้วใช่ไหมอวิชชาคือความรู้ผิดไม่ใช่เป็นความไม่รู้ นะมันรู้ผิดนะเราถึงทะเลาะ ก, กันทุกวันนี้ไงนะก็มีเวลาอยู่เนาะทานข้าวกี่โมงเจ0ดมงครึ่งนะบังเอิญมีคำถามนะมันก็ตอบเลยดีกว่าเนาะละลึกด้วยสติเห็นด้วยปัญญาเกิดพร้อมกันในขณะจิตเดียวกันได้ไหมครับมันพร้อมกันอยู่แล้วแต่สำคัญว่าปัญญานั้นนะ คืออะไรปัญญาฝ่ายลบปัญญาฝ่ายบวกนะละลึกรู้ตามปัญญาตามความรู้นี่ยแหละปัญญาฝ่ายลบโจรเนี่ยละลึกรู้ตามปัญญาฝ่ายลบเขารู้ว่าขโมยของไดก็ดีป้นเขาได้ก็ดีมันมีสติดีทั้งนั้นแหละถ้ามันไม่มีสติมันก็ป้นไม่สําเร็จไงตอนนี้เราเข้าใจว่ามีสติคําว่าละลึกรู้ภาษาไทยเนี่ยละลึกอันนี้เขียนดีมาก แค่ว่าระลึกด้วยสติดีแล้วตอนนี้บอกสติไปว่าละลึกรู้แล้วก็เข้าใจว่ารู้นี่ก็คือถูกต้องมันรู้ผิดไงถ้ามีมีปัญญาฝ่ายลบที่ว่ามีองค์ความรู้ที่ผิดมันก็รู้ผิดเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบวกัวมีสติทั้งนั้นแหละแต่ถ้าปัญญาตรงนั้นน่ยมันเป็นอวิชาเป็นอวิชาไม่ใช่วิชามันก็ใช้สติตามความรู้ที่ผิดนั่นแหละนะ ยกตัวอย่างเด็กสองขวบยังไม่ไปโรงเรียนเขาเห็นรถเก๋งสีแดงคันหนึ่งวิ่งมาเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขารู้แต่ว่าสิ่งหนึ่งวิ่งมานะสัญชาตญาณเขาก็หลบเขามีความอยากได้ไม่อยากได้ไหมไม่มีเขาไม่รู้เลยว่าอันนี้เรียกว่ารถเกง๋งนี่รถร ถ, รถกระบะสีอะไรก็ไม่รู้แต่พอเริ่มโตขึ้นบ่มเพราะนิสัยว่าฉันชอบสีเขียวชอบมากๆคุณพ่อซื้อสีแดงให้ไม่พอใจ เราคุ้นเคยกับคำว่าสติพวกครูพูดเรื่องนี้นะเคยเป็นเรื่องใหญ่เลยนะเจา้าคณะอำเภอแถวเนี่ยแถวอีสานเหนือทางนี้นะไม่ต้องเอ่ยชื่อท่านเดี๋ยวเดือนหน้าพวกคูก็ไปอบรมที่นนไปฝึ ก, ก, กพวกรูพวกูบอกว่ามันเป็นมิจฉาสติท่านก็เป็นครูบาาจารย์สอนวิจัยสงฆ์ท่านก็โทรไปหาครูบาอาจารย์ที่จบสูงสุดในเมืองไทยนะบอกว่า สติมันจะมิจฉาได้ยังไงมิจฉาทิฏฐิยังมีมิจฉาเลยสติทําไมจะไม่มิจฉาสติเนี่ยมักมีองแปดต้องเป็นสัมมาใช่ไหมมันต้องมีสัมมาทำไมมีสัมมาถ้าสติปุ๊บดีเลยเนี่ยทำไมต้องพูดว่าสัมมาสติมันก็มีมิจฉาสติเป็นของคู่เนี่ยเราเข้าใจว่ามีสติปุ๊บจบอันนี้คือความผิดพลาดครั้งใหญ่นะ เด็กคนนั้นก็เห็นสิ่งหนึ่งวิ่งมามันไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะมันไม่มีองค์ความรู้ไงว่ารถเก๋งมันดีกว่ารถกระบะนะอันนี้ฉันชอบเนี่ยมันไม่มีแต่มันก็มีสติมันก็รู้มันก็หลบแค่นั้นเองมันไม่มีความอยากได้หรือไม่อยากได้นะอันนี้คือวิชาต่างๆที่เราเรียนรู้เป็นสัญญาไงถ้าวิชานั้นเป็นสัญญาที่ผิดเราก็ใช้สติไปทําในทางที่ผิดนะ อันนี้เป็นคําถามแรกเนาะคำถามเพิ่สองเห็นกับละลึกในอัตตานาตาเหมือนกันไหมครับไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างไม่อยู่ในกรอบของอนาตตามีอย่างเดียวเท่านั้นคือนิพพานจิตซึ่งเข้าสู่สภาวะนิพพานแล้วเนี่ยนะถึงหยุดดุจออกจากกรอบกฎไพลไทยลักได้ลักษณะ3าประการของของสามโลกธาตุนี่คืออนิจจังทุกขังอนาตตา แต่จิตซึ่งนิพพานแล้วยังอยู่ในร่างนั้นนะร่างนั้นอยู่ภายใต้อนัตตาแต่จิตนั้นไม่อยู่ภายใต้แล้วนะเห็นกับระลึกนะบางทีเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวตอนนี้เห็นชีวิตคู่กลายเป็นดอกสากุระไม่ใช่ดอกบัวนะนี่หละคือเห็นผิดเป็นชอบไม่ใช่เป็น มันอะไรกันนักหนาเนาะเนาะเพราครูก็ถือโอกาสพูดเรื่องเพราะนี้เป็นคําถามเกี่ยวกับเรื่องก็วิชาในพุทธศาสนาบางเพระคูทุกศาสนาเพราะคูพูดหมดเพราะูไม่ต้องขัดแย้งกับใครนะนะเพราะูประกาศพรหมจรรย์ชยี้ทางพน้นทุกข์ให้สัตว์โลกทั้งหมดไม่ใช่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอันนี้พูดเราก็เองต่ง แ, แยกขั้วอย่างนี้วิธีนั้นวิธีนี้อยู่ขัดแย้งกันเนี่ย มันไม่ใช่คําสอนพุทธเจ้าเด็ดขาดนะแต่เมื่อพูดถึงแล้วก็พูดพูดให้ฟังก็ได้นะอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยอันนี้จังก็คือความไม่เที่ยงทุกคนรู้ไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงเพราะมันเปลี่ยนแปลงเป็นเบบี้อยู่ดีๆก็โตแล้วโตวแล้วเป็นหนุ่มสาวดีๆเนี่ยทำไมไม่รักษาความเป็นหนุ่มสาวไว้ล่ะทำไมมันเหี่ยวแห้งทําไมล่ะนะเพราะอะไรเพราะมันคือทุกขงังทุกขังในที่นี้ไม่ใช่ตรงข้ามกับความสุขทุกตัวนี้ ไม่ใช่ตรงอ้อมปสิกกับตรงความสุขทุกขังตรงนี้คือดำลงอยู่ได้ยากไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างอยู่กุยงคงกระพันแม้กระทั่งดวงอาทิตย์เขาเปลี่ยนทุกวันเป็นว่ามันเปลี่ยนช้าเปลี่ยนเร็วเท่านั้นเองทุกขังคือดำลงอยู่ได้ยากอนัตตาไม่ใช่ไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตนอะไรเนี่ยนะภาษาต้องระวังมันสับสนไม่ใช่ไม่มีนั่งอยู่ที่นี่มีหมดอ่ะแต่ไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนเพราะอะไร เพรามเป็นทุกขังมันดำรงอยู่ได้ยากเพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงแต่ทุกในอริยสัจสีนะ่ะนะทุกสมุทัยนี่โลดมักไอ้ทุกตัวเนี้ยเป็นตรงข้ามกับตัวสุขแต่ทุกในอริยสัจสีนี่เปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนจากเราทุกเราพ้นทุกได้แต่ทุกขังในกฎพระไตรลักษณ์เนี่ยใครเปลี่ยนไม่ได้ ความสุขก็เป็นทุกขังนะถ้าไม่ถึงนิพพานนะมันเป็นสุขสุขดิบๆมันก็ไม่เที่ยงมันดํำรองอยู่ได้ยากเพราะสุขดีๆเนี่ยเขามาตีหัวปุ๊บเนี่ยมันหายไปไหนอันนั้นคือสุขกับทุกข์แต่ทุกขังในที่นี้เนี่ยแม้กระทั่งตัวความสุขก็เป็นทุกขังแม้กระทั่งเราสุขตลอดชีวิตเลยสุดท้ายเนี่ยเราก็ตายไง เราเข้าถึงก่อนแล้วค่อยมาดูไอ้ภาษาเหล่านี้เราจะแปลไม่ผิดเราจะเข้าใจอัฏฐะในพยัญชนะนั้นชัดเจนตอนนี้ระดับปัญญาเราก็ระดับนี้เราก็เข้าใจแค่นี้สูงขึ้นเราก็เข้าใจมากขึ้นสูงขึ้นก็เข้าใจมากขึ้นนะสูงที่สุดคือไม่รู้อะไรเลยเพราะไม่มีอะไรให้รู้ไม่มีแม้ต่หนึงอย่างมันใช่ทั้งนั้นแหละมันเป็นอันาตราไง ทุกวันนี้เราใช้โลกิยะสติโลกิยะสติสติตรงนี้เนี่ยไม่อิสระอยู่ภายใต้สมมติบัญยัติประเพณีวัฒนธรรมถูกผิดดีชั่วคนมีสติทั้งนั้นด่ากันทุกวันนี้นะถ้ามันมีสติมันด่าผิดนะมันจะด่าว่ามึงชั่วมันจะด่าว่ากูชั่วมันมีสติทั้งนั้นแหละแต่มันไม่มีศีลมันไม่มีปัญญาเนาะ ทุกวันนี้เป็นยุคเขาเรียกว่า knowledge based แข่งกันด้วยองค์ความรู้มนุษย์จึงเป็นแค่ทรัพยากรนะไปเติมความรู้เติมความรู้เติมความรู้เติ ม, ว, ม, ตมวิชาการเธอก็เติมฉันก็เติมก็เท่ากันต่างคนต่างเครียดใช่ไหมเพิ่มอาวุธทางบรราัญญาติท่านก็เพิ่มได้มันก็เท่ากันอีก เพราะเรามเมื่อวานนี้ก็มีชาวต่างชาติมาคุยกับผะครูเขาอยู่ในวงการการศึกษาเขาบอกว่าการศึกษาอะไรเขาพยายามสนใจพเพราะคูถามว่าต้องตั้งโจทย์ว่าการศึกษาเพื่ออะไรก่อนคุณเรียนเพื่ออะไรส่วนมากเรียนแก้ปัญหาอะไรอะไรสังคมน่ะพราะครูอันดับแรกต้องแก้ปัญหาตัวเองก่อนเราต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นใครเราคืออะไรเราเกิดมาทำไม เราต้องการอะไรจริงๆเหรอเป้าหมายชีวิตจริงๆคืออะไรอันนี้ไม่เคยคิดหรอกมาปุ๊บเขาก็ใส่ให้เรา เ, าเรียนเก่งๆหาเงินเยอะๆเมื่อไรจะมีความสุขนะเห็นไหมเรียนเมื่อมาแก้ปัญหาเห็นไมเรื่องสร้างปัญจราจรติดขัดในกรุงเทพแล้วก็เรียนวิชาใหม่มาแก้ปัญหาที่ตัวเองสร้างเอาแก้ด้วยเทคโนโลยีบอกว่าเออไฟอะไรนะเออไฟอัจฉริยะนะนะพ่อกูเรียกว่าไฟปัญญาอ่อน <laughs> คนโบราณก็ไม่ต้องเสียค่าไฟค่าอะไรต้องไปซื้อเทคโนโลยีเหล่านี้เห็นไหมตอนนี้ประเทศไหนยังมีนะในทางยุโรปก็มีนะไม่มีหรอกไฟแดงน่ะสมัยก่อนเราก็มีมีวงกลมเห็นไหมเออมีวงเวียนอยู่ข้างกางสี่แยกนั่นถ้าคนมีวินัยเออใครไปก่อนไปหลังก็ต้องมีวินัยนะแต่ตอนนี้ไปทํารถติดคนไม่มีวินัยแล้วทีนี้ก็เอาไฟอัจฉริยะ ภัยที่ยากก็เกิดจากว่าคุณต้องหาเงินไปซื้ออีกคุณก็ทุกไปหาเงินไปซื้อน่ะทุกคนก็ไปเรียนวิชาใหม่เพื่อมาแก้ปัญหาเก่าแล้วเมื่อไรมันจะจบสิ้นนะก็ให้เข้าใจนะก็ชี้แจงเช้านี้ว่าไม่ต้องกังวลมุ่งมัน่นปัดปัดมีโอกาสอย่างเี้ปลดปล่อยเถอะนะพวกคูถึงเน้นว่าปล่อยวางหัวขนชั่วคราวไงนะปล่อยวางหัวขนชั่วขาวแนะม้จิตเราไม่อิสระ นะอย่าว่าแต่เด็กเขายัางติดอยู่นะเด็กติดน้อยเดี๋ยวก็ผ่านได้แต่แต่ผู้ใหญ่ติดเยอะกว่านะเรายิ่งต้องวางหัวขขนของเราที่นี่เราคิดเอาเองเอาวางวางวางๆงมันคิดได้แต่มันทำไม่ได้นี่คือเทคนิคในการทำให้มันวางเนี่ยทเลยไม่เคยเต้นก็เต้นไม่เคยรำก็รำไม่เคยจะทําเลยไม่เคยร้องก็ร้องเลยเนี่ยมันจะไปฆ่าอุปทานเรา เมพราะกูชอบไอ้เวอร์ชัน g ิงสปีดนี้มากเลยอยู่ๆก็มาเจอเนี่ยเราทำมาตั้งหลายปีแล้วนไมเห็ ไ, ไหม่ไปทำอะไรบ้าๆบอๆนะ่ะคุณต้องลืมว่าคุณเป็นใครก่อนไอ้หมอคนนี้มันสุดยอดมันกล้าหารมันกล้าตายนะ <laughs> มันไม่กลัวถูกตัดคอนะเขาสูบบุหรี่ก็ไม่ให้เขาสูบนะเออเขาเรียกให้บอกให้เรียกไอ้พาบาทอนะมันก็ไม่เรียกมันต้องการเรียกชื่อเล่นอะไรนี้นะอันนี้มันสุดยอด ทุกขั้นตอนคือเขาทำลายอัตาไงเห็นไหมถ้าเราไม่ข้ามพ้นตัวนั้นแหละโลกรกอุปทานเราก็ไม่หายโอเคนะได้เวลาก็ไปทานข้าวกันไม่ต้องถือสาคำพูดพระครูนะรับได้ก็เอาไปใช้รับไม่ได้ก็เหวี่ยงทิ้งอย่าแบกไปกลับบ้านมันจะหนักเนาะ